สุขได้ไม่ต้องพึ่งเวทนาคืออิสระภาพและเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์เมื่อมองให้ถึงตัวสภาวะสุขที่ยังเป็นเวทนาหรือสุขที่ยังอาศัยยังขึ้นต่อการเสวยอารมณ์ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะสุขเวทนาก็เช่นเดียวกับเวทนาอื่นๆคือทุกข์และอทุกขขมสุขล้วนเป็นสังขารธรรมจึงย่อมเป็นทุกข์ทั้งสิ้น สังขารธรรมในที่นี้หมายถึงสังขารในความหมายของสังคตธรรมที่คลุมขันห้าทั้งหมดไม่ใช่สังขารที่เป็นข้อที่สี่ในขันห้าและทุกในที่นี้หมายถึงทุกข์ในไตร ล, ลักษณ์ดังพุทธพจน์ตรัสชี้แจงแก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ภิกษุนั้นกราบทูลถามว่าเมื่อข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความครุ่นคิดในใจอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสข้อความนี้ไว้ด้วยว่าการเสวยอารมณ์ซึ่งก็คือเวทนาไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกข์ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกข์ดังนี้พระองค์ตรัสหมายถึงอะไรหนอ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าถูกแล้วถูกแล้วภิกษุเรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุขกขมสุขเวทนาแต่เราก็ได้กล่าวข้อความนี้ไว้ด้วยว่าการเสวยอารมณ์ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดล้วนจัดเข้าในทุกความข้อหลังนี้เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแลเป็นสิ่งไม่เที่ยง เรากล่าวหมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายนั่นแหลมีความสิ้นความสลายความจางหายความดับความแปรปรวนไปได้เป็นธรรมดาเมื่อใดรู้เข้าใจตามเป็นจริงว่าเวทนาทั้งสามคือสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขกมสุขก็ดีล้วนไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ปัจจัยต่างๆปรงแต่งขึ้นเป็นของอาศัยกันอาศัยกันเกิดขึ้น มีอันจะต้องสิ้นต้องสลายต้องจางหายต้องดับไปเป็นธรรมดาแล้วหมดใคร่หายติดในเวทนาทั้งสามนั้นจนจิตหลุดพ้นเป็นอิสระได้แล้วเมื่อนั้นจึงจะประสบสุขเหนือเวทนาหรือสุขที่ไม่เป็นเวทนาไม่พึ่งพาอาศัยขึ้นต่อการสวยอารมณ์ที่เป็นขั้นสูงสุดหมายเหตุเชิงอัดข้อที่เวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนได้เป็นธรรมดานี่เป็นข้อเสียหรืออาทีนวะของเวทนาทั้งหลายเวทนาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผัสสะคือการรับรู้ที่เกิดจากอายตนะมีตาเป็นต้นประจวบกับอารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้วเกิดการเห็นการได้ยินเป็นต้นพูดง่ายๆแง่งหนึ่งว่าเวทนาต้องอาศัยอารมณ์ขึ้นต่ออารมณ์ ถ้าไม่มีอารมณ์เวทนาก็เกิดไม่ได้เวทนาจึงแปลว่าการเสวยอารมณ์หรือเสพรสอารมณ์เมื่อเวทนาอาศัยอารมณ์สุขที่เป็นเวทนาก็ต้องอาศัยอารมณ์ชาณสุขอาศัยเฉพาะธรรมารมณ์อย่างเดียวแต่กามาสุขต้องอาศัยอารมณ์ทุกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ห้าอย่างต้นที่เรียกว่ากามคุณ ซึ่งเป็นอามิตรโลกิยะปุตชนดำเนินชีวิตโดยมุ่งสแสวงหากามาสุขจึงเท่ากับฝากความสุขความทุกข์ฝากชีวิตของตนไว้กับอารมณ์เหล่านั้นคราวใดกรรมคุณนรมณ์ร่างพร้อมอำนวยก็สนุกสนานร่าเริงคราวใดกรรมคุณนอารมณ์เหล่านั้นผันผนวนโปรนแปรไปหรือขาดแคลนไม่มีอารมณ์จะเสพเสวยก็ซบเ้าเศร้าส้อยหงอยละเีื ต่างจากท่านผู้รู้จักความสุขที่ประนีตสูงขึ้นไปเฉพาะอย่างยิ่งสุขที่ไม่อาศัยเวทนาซึ่งไม่ฝากชีวิตไว้กับอารมณ์เหล่านั้นถึงแม้กรรมกุณนารมจะเสื่อมสลายปรวนแปรไปก็ยังคงเป็นสุขอยู่ได้ดังพุทธพจน์ว่าเทพและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่ยินดีรื่นรมด้วยรูปบันเทิงด้วยรูปบันเทิงด้วยเสียง บันเทิงด้วยกลิ่นบันเทิงด้วยรสบันเทิงด้วยสิ่งสัมผัสกายบันเทิงด้วยธรรมารมพราะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพธรรมารมแปรโจรเลือนหายดับสลายไปเทพและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ส่วนตถาคตอรหันตสำ ม, มาสัมพุทธะทราบตามความเป็นจริงแล้วซึ่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมารมพร้อมทั้งทางออกจึงไม่เป็นผู้มีรูปเป็นที่ยินดีไม่เรื่นรมอยู่ได้รูปไม่บันเทิงอยู่ได้รูปเป็นต้นจนถึงธรรมารมเพราะรูปเป็นต้นจนถึงธรรมารม์ปรนแปร ى, เลือนหายดับสลายไปตถาคตก็อยู่เป็นสุขได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะโลกียะปุทุชนมีประสบการณ์จํากัดรับแคบรู้จักแต่เพียงกามมาสุขอย่างเดียวเวลาประสบสุขเวทนาสมปราถนาก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างถูกมัดตัวรุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นในกามาสุขและในกามคุณยิ่งขึ้นเวลาประสบทุกขเวทนาก็โศกเศร้าหงอยเหงาหรือทุรนทุราย แล้วก็หันมาฝันายครุ่นคำหนึง่งฝากความหวังไว้กับกามาสุขต่อไปอีกเพราะโลกิยะปุทุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกขเวทนานอกเหนือไปจากกามาสุขส่วนอริยสาวกผู้รู้จักสุขประนีตกว่าแล้วเมื่อประสบสุขเวทนาจากกรรมคุณนารม์ก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างไม่ถูกมัดตัวไม่ลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นตกเป็นทาสของกามคุนนั้น ครั้นได้ประสบทุกขเวทนาก็ไม่ซบเศร้าเศร้าทุรนทุรายและก็ไม่หันไปรอหากามาสุขเพราะรู้จักนิสรณะคือทางออกหรือภาวะรอดพ้นเป็นอิสระที่ดีกว่าซึ่งไม่ต้องอาศัยกามาสุขคือมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขที่กว้างขวางกว่ามีปัญญารู้เท่าทันสุขทุกขตามความเป็นจริงและรู้จักสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าความสุขของท่าน ไม่ขึ้นต่อเวทนาไม่จำเป็นต้องอาศัยการเสพอารมณ์เสมอไปความสุขที่ไม่เป็นเวทนาไม่พึ่งพาไม่ขึ้นต่ออารมณ์นี้เป็นเรื่องยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้เพราะไม่เคยประสบตัวอย่างที่จะเทียบก็ไม่มีแต่กระนั้นก็อาจพูดให้เห็นเขาว่าตามปกติคนทั่วไปก็มีความสุขพื้นฐานอยู่อย่างหนึ่งซึ่งต่างจากความสุขจากการเสพรสอารมณ์ ความสุขพื้นฐานที่ว่านี้เป็นทั้งความสุขโดยตัวของมันเองและเป็นฐานรองรับที่ช่วยให้ได้รับความสุขจากการเสรบรสอารมณ์ต่างๆความสุขพื้นฐานนี้ได้แก่ภาวะที่จิตใจปลอดโปรง่งผ่องใสเบิกบานไม่มีความมัวหมองวุ่นวายหรือเรื่องติดค้างกังวลใจใดๆจะเรียกว่าจิตว่างหรือมีความสะอาดสว่างสงบหรืออย่างไรก็ตามที ผู้ที่มีภาวะจิตเช่นนี้ย่อมเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความสุขนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นต่อไปผู้ที่มีภาวะจิตใจเช่นนี้ถ้ า, า จ, จะไปเสพเสวย อ, อารมณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะก็ตามก็จะได้รับความสุขจากการเสพเสวย อ, อารมณ์นั้นๆเต็มที่เรื่องนี้จะเห็นได้ชัดในทางตรงข้ามเช่น คนผู้หนึ่งกำลังจะรับประทานอาหารถ้าเวลานั้นจิตใจของเขาไม่ปลอดโปร่งผ่องใสมีเรื่องโศกเศร้าหรือคุณมัวหรือกำลังกลุ่มกังวลวุ่นวายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าอาหารนั้นจะเป็นอย่างอร่อยที่เขาเคยชอบแต่คราวนี้เขาอาจจะไม่รู้สึกอร่อยเลยอาจฟื้นกินหรือถึงกับกินไม่ลงก็ได้แต่ถ้าจิตใจของเขาเบิกบานผ่องใส เขาจะรู้สึกรสอาหารเต็มที่แม้บางทีอาหารไม่ดีนักแต่เขาก็จะรับประทานได้อย่างอร่อยตัวอย่างเทียบในทางร่างกายก็มีนอกจากเรื่องร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอย่างที่กล่าวแล้วพึงเห็นได้เช่นคนมีร่างกายเปรอะเปื้อนฝุน่นหรือสิ่งสกปรกตัวเนอหนะด้วยเหงื่อหรือเจ็บโน่นเจ็บนี่ยุบยิบไปเขาจะนั่งลงฟังเพลงก็ไม่สบาย หรือจะลงมือทำงานอะไรที่ละเอียดก็ไม่ได้ผลดีแต่ถ้าเขาได้ชําระล้างร่างกายให้สะอาดปลอดโปรง่งโล่งเบาแล้วจะเสพเสวยอารมณ์ใดก็ได้สุขเต็มที่จะลงมือทำงานที่ต้องการความประณีตใดๆก็จะทำได้ดีเป็นอันว่าคนที่มีความสุขชั้นในหรือมีความสุขพื้นฐานแล้วยังจะเสะวยความสุขชั้นนอกหรือขั้นเสวยอารมณ์ได้ดีอีกด้วย นอกจากผลดีในด้านความสุขแล้วยังจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานของจิตเพิ่มเข้ามาอีกส่วนผู้ที่ขาดความสุขชั้นในแล้วก็เสียผลทั้งสองขั้นคือทุกทั้งข้างในและข้างนอกยิ่งกว่านั้นประสิทธิภาพในการทำงานของจิตก็เสียไปด้วยความสุขพื้นฐานชั้นในนี้ยังสามารถฝึกปรือให้บริสุทธิ์เด่นชัดและประนีตลึกซึ้งขึ้ น, นไปกว่าที่คนทั่วไปรู้สึกได้อีกมาก ความสุขเนื่องด้วยนิพพานก็พึงนึกพอเป็นเขาอย่างนี้สรุปว่านิพพานเป็นทั้งความสุขเองและเป็นทั้งภาวะที่ทำให้พร้อมที่จะเสวยความสุขเมื่อคนวางใจถูกต้องต่อกรมคลายความติดพันในกามะคุณไม่เอาความสุขของตนไปฝากไว้กับกรมเลิกหมกมุ่นในการมะสุขได้เขาก็มีสิทธิหรือเป็นผู้พร้อมที่จะทาความรู้จักกับชาณสุข ที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเมื่อเขาประสบชาณสุขแล้วถ้าเขายังต้องการเสพกามาสุขอยู่เขาก็จะเสพได้ตามปกติและมีความละเ ม, มียดละไมแต่เขาจะไม่ทําความชั่วเพราะเห็นแก่กามาสุขเพราะเขามองเห็นคุณค่าของชาณสุขสูงกว่าและชาณสุขนั้นต้องอิงอาศัยความดีงามเมื่อเขาได้รับชาณสุขแล้ว จิตของเขาจะดื่มดำน้อมดิ่งไปในอารมณ์ของฌานอันประณีตซึ่งมีหลายขั้นตอนลึกซึ้งกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นสูงสุดเป็นดังกลืนหายไปกับภาวะประณีตลึกซึ้งนั้นภูมิขั้นแห่งการมาลุเช่นนี้นับว่าประเสริฐสุดสูงสุดเลิศยากที่ใครๆจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามผู้ใดสามารถปล่อยวางละความติดใจผัวพัน ในภาวะเลิดล้ำดื่มดำน้อมดิ่งของฌานสมาบัติเหล่านี้ได้คือถอนความติดในกาสมาได้ขั้นหนึ่งแล้วยังถอนความติดในฌานสมาบัติได้อีกไม่มีความเกี่ยวเกาะติดพันในสิ่งใดๆเลยเขาก็จะถึงภาวะหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นี้คือภาวะที่เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นภาวะที่ตรงข้ามกันหมดกับภาวะที่กล่าวมาก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นการหรือฌานสมาบัติก็ตามเพราะในขณะที่ภาวะของการและฌานสมาบัติยังเป็นภาวะแห่งการเข้าหาเข้าไปยึดเข้าไปรวมต้องมีที่ฝากตัวต้องมีที่ขึ้นต่อแต่นิพานเป็นภาวะหลุดออกปลอดพน้นโปร่งโล่งแต่ทั้งที่เป็นภาวะตรงข้ามนี้แหละผู้ประจักษ์แจ้งนิพานแล้วกลับเป็นผู้มีสิทธิ หรือเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขชนิดก่อนๆทั้งหมดทั้งกามาสุขและชาณสุขและเสวยได้อย่างดีที่สุดโดยไม่มีพิษมีภัยอีกด้วยการที่เขาเลิกละเมถุนสมาบัตอันหมายถึงการร่วมรักร่วมเพศตลอดจนปล่อยทิ้งหรือตัดใจจากชาญสมาบัตทั้งหมดมาได้กลับทำให้เขาสามารถเข้าถึงสมาบัตอื่นที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้อีกเป็นนั้นว่าผู้ประจักษ์นิพพาน ได้ทั้งความสุขของนิพพานเองและสามารถเสวยสุขอย่างก่อนๆที่ผ่านมาแล้วได้ทั้งหมดและได้รดแห่งการเสวยนั้นอย่างเต็มเปี่ยมที่สุดด้วยส่วนผู้ใดไม่ได้ผ่านฌานสมาบัติมาโดยตลอดแต่ได้บรรลุนิพพานผู้นั้นก็ขาดสิทธิที่จะเสวยสุขในฌานสมาบัติเหล่านั้นไปส่วนหนึ่งแต่กระนั้นเขาก็ยังได้ประสบนิพพานเสวยมิมุติสุขที่ประเสริฐกว่าสรุปว่า เมื่อเลิกติดกามก็มีสิทธิ์ได้ชาณสุขเมื่อเลิกติดชาณสุขก็มีสิทธิ์ได้นิพพานสุขเมื่อได้นิพพานสุขก็มีวิมุตติสุขคือสุขจากความพ้นเป็นอิสระจึงปลอดโปร่งโล่งเบิกบานสดใสแล้วกลับได้สุขหมดทุกอย่างย้ําว่าจะได้นิพพานต้องละได้หมดก่อนแม้กระทั่งฌานสมาบัติก็ไม่ติดจึงมีวิมุติ โล่งเป็นอิสระเมื่อละได้หมดแล้วเป็นอิสระแล้วไม่ติดอยู่ในอะไรอะไรแล้วจะเอาอะไรก็ได้ทั้งหมดไม่มีความสุขใดยิ่งใหญ่กว่าเหนือกว่าความสุขในความเป็นอิสระ